ปีใหม่แล้วนะรอดกันมาได้อีกปีหนึ่งนเป็นเวลาทบทวนตัวเองหนึ่งปีที่เราเสียชีวิตไปเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างมีพัฒนาการทางจิตใจบ้างหรือเปล่าต้องวัดวัดใจตัวเอง คุ้มไหมกับหนึ่งปีที่เราเสียไปหลวงพ่อตานเป็นโยมคุ้มนะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราเห็นพัฒนาการทางจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆตั้แต่แรกก็นั่งสมาธิไม่เป็นนั่งสมาธิเป็นทันเด็กๆ เดินปัญญาไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงไปเจอหลวงปู่ดูลงมาเจริญปัญญาได้ศีลเคยด่างพร้อยก็เกิดความละอายใจถ้าจะทำผิดศีลเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปนีศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามันวัดใจตัวเองได้ตอนที่ หลวงปูดุลยังอยู่นะหลวงพ่อเคยส่งเงินบ้านท่านเรียนกับท่านอยู่ปีกว่าๆอย่างเงี้ยบอกหลวงปูครับผมมองเห็นจิตใจตัวเองถ้าแยกกิเลสเป็นสี่ส่วนนะผมทำลายไปสองส่วนนะ ท่านก็บอกฉลาดมองตัวเองออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดประเมินตัวเองนะว่าเราดีขึ้นไหมอกุศลลดลงไหมกุศลเจริญขึ้นหรือเปล่านะอย่างนี้ถึงจะคุ้มค่ากับมันสิ้นปีพอประเมินผลแล้วเราก็ตั้งใจตั้งความปรารถนา ปีต่อไปเราจะทำอะไรเหมือย่างเราจะทำธุรกิจหรือหน่วยราชการอะไรเงี้ยแต่ละปีก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะมุ่งไปทางไหนทิศทางที่เราจะไปการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมีทิศทางนะไม่ใช่ปฏิบัติตามยถ า, ากรรมไปเรื่อยๆแล้วแต่เวณตกรรมนะอย่างเง้ยอ่อนแอเกินไป เราก็ตั้งตั้งความปรารถนาของเรานะว่าอย่างเราจะถือศีลนะให้ดีขึ้นในปีนี้หรือเราจะอยู่กับโลกที่บุญนวายโดยที่เราไม่ทุกมากเกินไปอย่างงี้ตั้งใจไหแล้วก็ฝึกตัวเองไป อย่างบางคนก็กลัวนะบอกว่าเศรษฐกษิจไม่ดีเลยอะไรเงี้ยตกงานเยอะอยตกงานเนี่ยหลวงพ่อรู้จักพวกเราหลายคนที่เป็นนัก ว, วิชาการเรือ น, นักธุรกิจเป็นอะไรเงี้ยบนบอกว่าไม่มีคนทำงานชาวบ้านทั่วไปกงบนว่าตกงานนะพวกเด็กจบใหม่ก็ตกงานแต่เจ้าของกิจการบอกไม่มีคนทำงาน ทุกวันนี้พี่กิจาการดำเนินอยู่ได้อาศัยคนต่างชาติใส่พมา่าเขมรอะพวกนี้คนไทยไม่ยอมทำงานเวลาจะทำงานก็หวังจะเอาเงินเดือนเยอะๆเรียกร้องสูงจนกระทั้งเขาจ้างไม่ไหวประสบการณ์ก็ไม่มนะีมีแต่อาางการ กูเก่งจริงมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยพวกแบบประเมินตัวเองไม่ออกนะก็ภาพที่เห็นบางทีภาพหลอกๆนี่พวกเรานักปฏิบัตนะิพยายามมองโลกให้ตรงความเป็นจริงอย่างถ้าเราบอกเราไม่มีงานทำนะเพราะเราไม่ทำงานหรือเปล่า ให้ค่อยดูไปเราฝันไม่จะทำงานสบายๆอยู่ air, ออฟฟิศติดแอร์อะไรเงี้ยแล้วพอค่าจ้างอะไรต่ออะไรเราสูงขึ้นสูงขึ้นนะแล้วก็เราเรียกร้องสูงอะไเงี้ยไปไม่ไหวทั้งระบบคล้าๆมันเป็นจุดตันของ หลายประเทศนะที่พัฒนาแล้วญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรมันถึงจุดตันไม่รู้จะโตไปทางไหนแล้วเนี่ยปัญหาเราเนี้ยซับซ้อนที่เราจะต้องผเผชิญหน้าในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีก็เปลี่ยนแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนเนี่ยกระบวนการผลิตก็จะเปลี่ยน วิธีผลิตเปลี่ยนการดํารงชีวิตอะไรมันก็ต้องเปลี่ยนไปหมดนะถ้าเราจิตใจเราไม่นิ่งพอนะเราจะว่นไหวเราจะว่นไหวดูวยอย่างเรื่องการเมืองเนะี่ยหลายคนเบื่อการเมืองวุ่นวายเหลือเกินแต่เบื่อก็ต้องอยู่กับมันนะเบือ่ออะไรไปอยู่ที่ไหนอนะที่ไหนมันก็มี ถ้ายังไงเราจะอยู่ได้นะอันแรกเลยนะมีสติรักษาใจตัวเองไว้ก่อนใจมันเครียดรู้ทันใจมันกังวลรู้ทันนะคอยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปในสวนใจมันก็มั่นคงขึ้นมาสงบขึ้นมาพอจิตใจเรามั่นคงจิตใจเราสงบแล้วเนี่ยใช้สติปัญญาเนี่ยไปแก้ปัญหาชีวิต งั้นในทางจิตใจเราก็ต้องมีเป้าหมายนะในทางโลกเราจะทำธุรกิจอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเป้าหมายอย่าคิดแค่ตามตามคนอื่นเขไปการปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ใช่ปฏิบัติตามคนอื่นแต่มันคือการฝึกฝนตัวเองไม่ใช่คนอื่นเขาปฏิบัติก็เอาก็าบ้างนะเขาเดินจงกรมก็เดินเออบ้างเดินไปอย่างนั้นเองมีแต่เปลือก ไม่รู้ว่าเขาเดินเพื่ออะไรก็ไม่ได้ประโยชน์อยู่ก็โลกหลายคนก็ใช้วิธีตามๆว่าไปเห็นเขาขายอะไรได้ก็ข า, ขายตามว่าไปในสุดก็เจ๊งเหมือนๆกนันกระทั่งหรือบินโลคอสเนี่ยแย่งกันโลคอสจะเจ๊งแล้วเอาอเขาตามๆอย่างกัน สังเกตดูนะในยุคของเราเนี่ยใครคิดอะไรได้คนแรกนะแล้วติดตลาดนะรวยแต่รวยไม่นานต้องรีบก้าวต่อไปพอแปบเดียวคนอื่นก็ตามอย่างละเนี่ยอยู่กับโลกก็ต้องทันโลกจะทันโลกได้ใจต้องแกล่งพอโลกนี้เปลี่ยนเร็วนะคนสมัยปูยยะตายายหลวงพ่อเนี่ย ตั้งแต่เกิดจนตายเนะลยดำรงชีวิตอย่างเดิมถึงปีเคยทำนาก็ทำนาก็าแค่นั้นนะจบลนะไม่ต้องคิดอะไรมากฮนะหมดหน้านาแล้วก็เป็นฤดูการเล่นฤดูทำบุญนะมีกิจกรรมมากมายคนตายก็เก็บศพเอาไว้หมดหน้านาแล้วอากาศแห้งเอามาเผาเงี้ยเหมือนเหมือนแค่นนใช้ชีวิต หลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะว่าเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ก, กระทบของเราเกิดล่าอาณานิคมขึ้นมาเราก็าต้องปรับตัวครั้งใหญ่นะสมัยการที่ห้าตอนนี้มันเกิดปฏิวัติทางเทคโนโลยีไปเร็วมากเลย คนไหนปรับตัวไม่ได้ก็เฟดไปคนปรับตัวได้ก็อยู่รอดได้อย่งธุรกิจบางตัวนะเคยรุ่งเรืองนะผ่านมาแป๊บเดียวนะมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมืออยู่ไม่ได้แล้วหรื อ, อยู่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบอย่างศูนย์การกา้าอะไรพวกนี้ต้องหาของอื่นก็ไปใส่ไม่ใช่ไก่ของ ถ้าเราดูเป็นนะเราก็ยอมรับได้นะว่ามันเปลี่ยนไม่มีใครต้านได้อย่างร้านโชว์หวยต้องหายไปหายไปหมดลวที่เหลือมก็อยู่ไม่ได้การตั้งบูธขายของถ้าไปจะไม่จำเป็นคนซื้อของทางอินเทอร์เนต็ตอะไรเงี้คราวนี้พวกเราก็เห็นเขาขายของทางอินเทอร์เนต็ตแล้วรวย จะขายบ้างก็ขายของอย่างเดียวกันเลยไปรับมาจากที่เดียวกันขายของอย่างเดียวกันเจอทํำยังไงจะขายได้ต้องขายตัดราคากันก็พากันเจ๋งเมื่อมองมองนะมองโลกไม่มีใครหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องทําความเข้าใจมันก็ปรับตัวเอง เป็นกฎของธรรมชาติสิ่งใดปรับตัวได้ก็อยู่รอดนะปรับตัวไม่ได้อยู่ไม่รอดแต่ก่อนที่จะไปปรับตัวคิดอะไรได้บัญเจิดนะปรับใจให้ดีก่อนใจฟุ้งซ่านใจวันไหวใจไม่มีสมาธินะคิดอะไรไม่ออกจะบนหลูปไปเรื่อยๆคิดอะไรซ้ำรากคิดอะไรใหม่ๆไม่เป็น เราพยายามมาฝึกตัวเองนะเราอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆทุกวันศีลต้องรักษาศีลนะต้องรักษาบางคนค้าขายแล้วก็พยายามตุกติกนะโกงเล็กโกงน้อยอะไรเอาหมดเลยตัวเองก็เครียดนะใครมาภพด้วยใครมาค้าขายด้วยก็เครียดนะในใจคนอื่นก็ไม่ได้ยอมรับรนเะนยเห็นแก่ตัวเนี่ย ทำงานใหญ่ไม่ได้คนเห็นแก่ตัวทำได้ก็ไม่รอดสังเกตใจเราไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันสังเกตไปในแต่ละวันใจของเราไม่เคยเหมือนกันสังเกต ด, ดูบางวันใจสงบบางวันใจฟุ้งซ่านบางวันดีบางวันร้าย บางวันแล้วุนเฉียวโมโหแล้วแต่ตื่นนอนอะไยังไม่มีใครทําอะไรให้ก็โมโ ห, โหแล้วให้เคยเป็นไหมตื่นนี่มันก็หงุดหงิดหงหงิดไปหมดแล้วไม่รู้ว่าหงุดหงิดอะไระอกิเลสมันเผาใจเราเ ร, ร่าร้อนหงุดหงิดไปหมดเลยใครก็พูดดีๆ ด, ด้วยก็ฟังแล้วก็ระคายหูไปหมดตีความเสียไปหมดเลยอ่าว่าเขาพูดไม่ดีอะไเนี่ยหัดดูนะหัดดูใจตัวเองไป กิเลสอะไรยังไม่ละก็ละเสียกุศลอะไรยังไม่เจริญก็พยายามเจริญซะค่อยๆพัฒนาไปอ่านใจตัวเองไปนะกิเลสอะไรมันเยอะก็รู้ทันมันไปกิเลสตัวไหนที่เรารู้ทันแล้วก็ค่อยๆลดน้อยลงอย่างสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยนะก็คือกิเลสของเราเองสถานการณ์ข้างนอกเนี่ยสร้างปัญหาให้ชีวิตเราได้ แต่มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะตกงานไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะไม่อยากตกงานอาหากที่ทำให้ทุกข์มันเป็นเรื่องทางใจของเราเองนะที่ทำความทุกข์ให้ตัวเองเนี่ยปัญหานี่มากระตบเรามาบีบคั้งแต่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่ใจตัวเองใจที่ฝึกดีแล้วนะพู้ที้เจ้าสอนนะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ แล้วเราก็ต้องรู้ความจริงของชีวิตยอย่างหนึ่งนะทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวมันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นนะมีกำลังอยู่กได้มาพอหมดกำลังมันก็เสียไปรักษาไม่ไหวเป็นธรรมดาของโลกคาว่าธรรมดาของโลกเนี่ยภาษาบาลีใช้คาว่าโลกธรรมเคยได้ยินไหมโลกธรรมแปดประการมีราบ เราเสื่อมลาบใช่ไหมไม่ใช่มีลาบแล้วก็มีน้ำตกมีลาบแล้วก็เสื่อมลาบมียศแล้วก็เสื่อมยศเสื่อมไหมยศเสื่อมยังไงก็เสื่อมส่วนเราเคยเป็นประลัดกระทรวงนะพอเกษียณมา ก, ก็ไม่เป็นและรุ่นหลวงพ่อนี่เกษียณหมดแล้ว ตอนเรียนหนังสือนะโอ้ยเรียนขยนันแข่งกันแต่ละคนนะอยากเป็นผู้ว่าอยากเป็นอธิบดีอยากเป็นเอกอัครราชทูตก็ได้เป็นกันเยอะะหลายคนในรุ่นก็มีเยอะอธิบดีขึ้นไปสูงเยอะๆเลยตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นตะแกะนะ่เลี้ยงหลานบ้างอะไรบ้าง ที่ก็ไม่มีหลานจะเลี้ยงเงาเงาเคยมีอำนาจไปไหนคนยกมือไว้พอกเกษียนปุ๊บมันเห็นหน้าเราพุมัรีบเมินไปที่อื่นทำเป็นไม่เห็นเนิ้วมีนะแต่ถ้าเรามีคุณงามความดีในตัวเองคนมันก็ยังคิดถึงยังมาทัดทายงังนพยายามพัฒนาตัวเองไปนะ หลวงพ่อดูเพื่อนๆ น, นะที่แย่งกันใหญ่แย่งกันโตนะตอนนี้ไม่เห็นมีใครไปไหว้เหมือนสักคนเลยนะเราไม่ได้แย่งกับใครนะไปไหนคนก็ไหว้าา่านงะ <c oughs> ทียังไหว้ไม่รู้จักกาะเทศนะเราไปทุรัปวดฉี่นะจอดปัม๊มจะเข้าห้องน้ำ อลงจากรถแล้วมากันเยอะเลยนะจำเราได้ขึ้นมาเนี่ยไอ่ยูทูเนี่ยไม่ดีเลยเ <c oughs> มื่อก่อนหลวงพ่อทำซีดีสังเกตไหมซีดีหลวงพ่อจะไม่มีรูปไม่มีรูปหลวงพ่อหรอกของเราสบาย u t u b e เนี่ยมันเสียหายว่าจะใส่หนวดมาเทศมันก็สายเกินไปแล้วเ <c oughs> นี่ยลงจากรถแล้วมาล้องเรามากรับ คนจะส่งกันบ้านขอหลวงพ่อเข้าส้วมก่อนเถอะเ <c oughs> ข้าไปในห้องน้ำลงไปกราบในห้องน้ำก็มีอีกนะชีวิตลำบากมากเลยะจะปลอมตัวเขาไม่ได้เ น, นี่ยเราไม่ได้เคยแย่งชิงอะไรกับใครคนนะ่ะใช้ชีวิตที่เรียบๆง่ายๆฝึหกหัดตัวเองไปใจของเราล่มเย็นเป็นสุขนะ คนอื่นเข้าใกล้เราเขาก็มีความสุขไปด้วยเขาไม่รู้สึกว่าเราจะเบียดเบียนเขาถ้าเราเข้าใกล้ใครแล้วเขารู้สึกว่าเราจะมาเบียดเบียนเขานะเขาจะขยักขแย้งห น, ไห น, หนไีได้เขาก็หนีหนีไม่ได้เขาก็ปัดหน้ายิ้มใสในใจเขาก็ถ่าเมื่อไหร่มันจะไปสักทีอะไรเงี้ยในวัดหลวงพ่อือมันล่มเย็นไะสารพัดสัตว์เลยนะในเนี้หนีภยัยจากข้างนอกเข้ามา อยู่กันแน่นไปหมดเลยนกนกสัตว์เล็กสัตว์น้อยเลยมันก็ต้องการที่ร่มเย็นเป็นสุขต้องการในที่ที่คนไม่เบียดเบียนพวกเราต้องการไหมจะไม่ถูกเบียดเบียนนะอย่างน้อยเราอาจจะถูกเบียดเบียนแต่เราอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นตั้งใจไว้เลยนะเบียดเบียนคนอื่นจะได้อะไรมาบ้างไม่ยั่งยืนหรอก เราก็เห็นตัวอย่างนะบางคนมีเงินตั้งหลายหมื่นล้านขับบ้านไม่ได้นะมีความสุขเหรอไม่มีหรอกงั้นดูชีวิตของเรานะสำรวจไปอะไรที่มันยังไม่ดียังบกพร่องตำหนิตัวเองได้กนะ็พัฒนาขึ้นมานะอะไรที่ยังไม่ได้ดีๆที่ยังไม่ได้ทำก็ทำซะ เคยทําทานไหมถ้าบางคนไม่เคยทําทานก็อาจทําการทําทานไม่ใช่เอาเงินไปจ่ายเยอะๆอนะ่ะจ่ายเงินมากไม่เรียกว่าทําบุญจริงหรอกบางทีถ้ามีมากอยากทำบุญอยากช่วยเหลื อ, อก็ได้บุญเยอะนะมีน้อยนะมีเจตนาที่จะทําความดนะีก็ได้บุญเยอะบุญไม่ได้วัดด้วยปริมาณเงิน ใจมากมากเพื่อเอาหน้าเนี่ยมันสนองกิเลสทำบุญแล้วก็มีกิเลสเจือนะจ่ายไปสิบล้า น, นแล้วก็มันเป็นการแลกเปลี่ยนบางอย่างได้ได้อะไรบางอย่างมาบางคนเห็นบุญเป็นการลงทุนนะได้ผล น, นิดเดียวบุญที่ดีที่สุดนะต้องยกระดับขึ้นมาเป็นกุศล คือมีความฉลาดกุศลฉลาดมีปัญญาทำแล้วลดละกิเลสได้หรือทำแล้วเจริญกุศลได้อย่างเราช่วยเหลือคนเนี่ยช่วยพระเมตตากุศลเราเจริญในช่วยเพื่อเอาหน้าจะได้ไปเลือกตั้งแจกเงินเนี้ย ผู้สมัครสอสอแจกเงินได้บุญไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มุ่งเอาดีอะไรใช่หมมุ่งเอาคะแนนได้อะไรก็ได้คะแนนดูให้ดีนะเวลาทำอะไรแต่ท้ยังมีอะไรแฝงอยู่หเปล่านะทำความดีก็ต้องดูใจนะถ้าใจอยากทำความชัว่วต้องดูอยู่แล้วล่ะแต่กระทั่ง การจะทําความดีก็ต้องดูใจตัวเองทําำรับกิเลสแฝงหรือเปล่าอย่างเมื่อก่อนพวกเราไปถ่าชีวิตบัวควายกันนะถ่าชีวิตบัวควายแล้วก็อธิษฐานนะขอให้แข็งแรงเหมือนวัวเหมือนควายเออมันโง่พอกวายหรอ ว, วะนะ เงีนถ้าทํานะทํำด้วยความเมตตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยสงเคราะห์ทำเพราะเห็นว่าทําไปแล้วเป็นประโยชน์ทําแล้วไม่มีความทุกข์ตามมาทีหลังอย่างเงี้ยได้บุญทําไปเยอะๆนะแล้วกลับบ้านก็ครุ้มใจเดี๋ยวผัวเตะเอาเงินไปถวายพระเยอะเกินไปสามีโมโหอนะไรเงี้ยครุ้มใจก่อนทํานะแหมมีศรัทธาระหว่างทํานะปลื้ม มีคนมาถ่ายรูปด้วยนะได้หน้าได้ตากลับบ้านใจหอเหี่ยวอันนี้บุญอย่างนี้เรียกว่าบุญที่ไม่สมประกอบใช้คำว่าไม่สมประกอบเนี่ยถูกต้องเลยนะบุญตัวนี้เป็นบุญเล็กน้อยนะเวลาเราตายแล้วไม่มีบุญที่เหนือกว่าส่งผลมานะตัวเนี้ยมันพาเราไปเกิดเราจะไม่ได้เกิดด้วย มหาวิบากหรืมหาวิบากจิตไปเกิดด้วยกําลังของกุศลอย่างแรงแๆแต่ในอันนี้น เ, นเป็นกุศลที่กระพร่องกระแกล้ง<ม>เกิดด้วยสันติรณะกุศลบิบาก<ม>ไปเกิดด้วยตัวนี้ก็ได้เป็นคนได้เหมือนกันนะแต่พิการตั้งแต่เกิด<ม><ม>ในชีวิตนี้นกระพร่องกระแพล้ง แล้วก็ไม่ประกอบด้วยปัญญาเกิด อ, อย่างนี้ไม่ประกอบด้วยปัญญาเข้าฌานก็ไม่ได้ทำวีปรัสนาก็ไม่ได้พวกเราเคยเห็นสภาวะสุขทุกข์ดีชั่วในใจเราเกิดดับไหมเห็นว่ามันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปผุดขึ้นมาแล้วดับไปเคยเห็นไหมอย่างนี้ที่ว่าเราทำวีปรัสนาได้เพะฉั้นมันเป็นเครื่องพิสูจน์อันหนึ่งนะว่าเราเกิด ด้วยเหตุสามประการอโลพาอาโทสัตมูหนะเราเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบบางคนเกิดด้วยเหตุสองประกนะารอะโลพาอาโทสัตแต่เจอโมหะลงมาผู้นี้เข้าฌานก็ไม่ได้นะทำวิปัสสนาก็ไม่ได้นะไม่ไม่มีปัญญาไม่มีภูมิธรรมนะพวกเราทำได้ก็ถือว่า เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าเราเกิดด้วยเหตุที่ดีจริงๆเคยเห็นไหมความสุขเกิดแล้วก็หายไปเคยเห็นไหมความทุกข์เกิดแล้วพอหายไปเคยเห็นไหมไม่ใช่คิดนะเห็นเอาถ้เห็นเอาก็เป็นเครื่องพิสูจนะ์ว่าเราเกิดมาได้ดีนสิ่งที่ดีส่งให้เกิดเห็นไหมเคยเห็นไหม mm hmm. หลวงพ่อทไมไม่ถามว่าเอาใครเข้าฌานได้ยู่นี้มันไม่เข้าฌานเี่ยถ้าไปตีด้วยการเข้าฌานะมันเกิดด้วยเหตุสองหมดเลยพยายามฝึกตัวเองนะทบทวนหนึ่งปีที่ผ่านมานี่มีความเลวอะไรอยู่หรือว่าละความเลวอะไรไปได้บ้างแล้ว ขณะนี้กุสลอะไรยังไม่เต็มศีลดีไหมมีสมาธิคือมีสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวไหมมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจไหมถ้ายังไม่มีหรือมีน้อยก็พัฒนาขึ้นไปพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อนะพอตอนไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่ดูล น, นะ หลง้าก็ตั้งเป้าแต่ไปเราจะต้องไม่โกรธแต่ไปเราจะไม่โกรธโอยฝึกอยู่หลายปีนะฝึกอยู่นานค่อยๆฝึกไปเรื่อนสำรวจนะปีเก่าเนี่ยความชั่วอะไรที่ยังไม่ได้ละความชั่วอะไรที่ยังเกิดบ่อยๆเนี่ยสำรวจ สำหรับอนาคตเราความดีอะไรที่ยังไม่ได้ทำความดีอะไรที่เกิดแล้วทำให้มันดียิ่งขึ้นได้ยังไงนะดูเข้าไปนี่คือเป้าหมายนะคือสิ่งที่เราควรทำในวันสิ้นปีสํารวจข้อบกพร่องของเราปีต่อไปมีทิศทางที่จะพัฒนาตัวเอง ไม่เคยมีสติเลยหลงตลอดนะต่อไปนี้จะพยายามมีสติแบ่งเวลาไว้ทำกรรมฐานทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทำกรรมฐานฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึงอะไรก็ได้ที่เราถนัดกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดเลยขอให้ทำเป็นเนอะนะจะดูท้องพองยุบก็ได้นะแต่อย่ามัวแต่ดูท้องดูท้องพองยุบแล้วก็เห็นจิต เช่นจิตไหลลงไปที่ท้องก็รู้จิตนี้ไปคิดก็รู้จะทำานาปานาัตสติก็ได้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็รู้จิตนี้ไปคิดลแล้วอื่นเราก็รู้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนก็ได้เว้ยแม่งวันแมงบีเยอะขยับก็เหมาะดีไล่ไปด้วยแต่ขยับมือแล้วจิตนี้ไปอยู่ในมือรู้ไปเพ่งใส่มือ นะเพง่งรู้ทันว่าไปหลงเพ่งแล้วนะแม่เไหนหรือขยับมือไปจิตนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันขยับมือแล้วจิตก็ไปคิดว่าต่อไปจะท่าไหนก็รู้ว่าหลงคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้พุโทโธไปพุนะโทโธพุโทโธพุทโธจิตไปหลงอยู่ในความนิ่งนิ่งว่างๆรู้ทันพุโทโธพุทโธไปนะจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทัน ก็นะ ร, รู้ทันที่จิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทํากรรมฐานอะไรนะแล้วเราคอยรู้เท่าทันพฤติกรรมของใจเราใจเราชอบหนีหนีไปโน่นหนีไปนี่เลยบานะทีก็หนีลงไปนอนแช่นิ่งๆนะไปดูท้องก็ไปแช่นิ่งอยู่ที่ท้องอนะไรเงี้ยก็รู้ทันเมื่อใจมันจมลงไปแล้วยัางไอหนูแถวที่สามเนี้ยเออเรานะั่นนะ่ะก็รู้ทันนะ เนี่ยหลงติดนิ่งแนละ้วรู้ทันปล่อยให้มันทำงานนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำนะเพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเริ่มจากการมีวิหารธรรมใช้กายในกายเป็นเครื่องอยู่ต้องมีเครื่องอยู่ใช้เวทนาในเวทนาเป็นเครื่องอยู่ใช้จิตในจิตเป็นเครื่องอยู่อะไรเงี้ยมันต้องมีเครื่องอยู่นะัน อ, อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบ อยู่กับการเดินจงกรมให้ใจมันมีบ้านแล้วถ้าใจมันหนีไปนะสติมันจะรึกได้เร็วนะใจมันหนีปุ๊กกบเรรู้ทันเลยล้วเราไม่มีเครื่องอยู่นะใจก็จะฟุ้งปลุงไปเรื่อยๆนะกิเลสที่มันจะลากเราไปนะเลดเื่ินๆอยู่กับโลกวันปีใหม่ทีนะเฮ้ย เ, เพลื่อนกันลือเกินสงกรานตีงปีใหม่ทีนะจะพักผ่อนแล้วได้ลองวิ๊เอนะ็นแล้ว ขึ้นไปเที่ยวกันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนถนนถ้าจะไปอีสานก็ไ่อยู่แถวปากช่องนะนะั่นแหละช่องมันแคบก็ <c oughs> <c oughs> ไปอยู่กันแถวนะนะั้นไม่ได้ไปไหนอะ่ะกว่าจะสมสารไปถึงปลายทางนะใช้เวลาเยอะนะเหนื่อยแทบขาดใจนะไปถึงก็ไม่ได้เที่ยวอะไรไหวเท่าไหร่หรอกยังไม่ทันอะไรก็ได้เวลากลับก็แย่งเงินกลับมานะ วิกเอนทีหนึ่งกลับมานะโศมยิ่งกว่าเก่เาอีกนะโศมนิ่งกว่าก่อนไปแย่งกันไปตองเห็นใจนะอยากกลับบ้านอยากเห็นลูกเห็นเมีย อ, อยากเห็นครอบครัวก็น่าสงสารอยู่คนของเราเยอะเยอะเกินนะล้วที น, นี้ถ้ารถติดเราจะทำยังไงนะถ้าเรารถติดเราก็า<ม>ดูใจของเร า, าไป ถ้ามันเมื่ อ, อย่างดูแล้วขขยับแข้งขยับขาอะไรไปมันรถมันไม่เคลื่อนกระดูกกระดิกไปนี่ถ้าใจเราร้อนเจอรถติดเครียดหนักคนที่ฝึกกับคนที่ไม่ฝึกไม่เหมือนกันหรกห้ามได้ไหมรถติดห้ามไม่ได้มันเหมือนกับบอกห้ามการปฏิวัติทางเทคโนโลยีเลยเนีย่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ ถ้าไม่ได้ทำใจได้ก็มีความสุขได้ถ้าทำใจไม่ได้เจอสถานการณ์แค่รถติดก็จะตายแล้วเพะฝึกตัวเองนะอ่านใจตัวเองไปได้วยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็อ่านใจตัวเองไปพุโทโธพุโทโธไปใจปุงซ้านรู้ทันพุโทโธไปใจสงบรู้ทันนะพุ้งซ้านกันหนีไปคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้ ก็รู้ทันพุโทโธไปแล้วก็สงบแล้วก็มีราคะ เ, เลืดเพลินก็รู้ทันมีราคะนะพุโทโธเราไม่สงบเลยโทสะเกิดก็รู้ทันว่ามีโทสนะราคะเกิดก็รู้โทสะเกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้อ่ากุศลเกิดก็รู้ฝึกไปเรื่อยต่อไปก็จะเห็นลึกซึ้งขึ้นไปอีก เวลามันมีกุศลเกิดขึ้นหรือมีความสุขเกิดขึ้นจิตมันพอใจให้รู้ว่าพอใจนะเวลาอกุศลเกิดขึ้นหรือความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่พอใจให้รู้ว่าจิตไม่พอใจเนี่ยรู้ลงไปอย่างนี้หัดที่แรกก็แค่รู้ว่าโลภโกรธหลงเกิดขึ้นความดีเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึน้นนี่เห็นสภาวะนะเห็นลึกซึ้งต่อไปอีก เวลาความสุขเกิดขึ้นใจเราชอบรู้ว่าชอบความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบกุศลเกิดขึ้นใจเราชอบรู้ว่าชอบอกุศลเกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนียรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าชอบหรือไม่ชอบใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางในสติปัฏฐานเนี่ยเริ่มต้นจะมีวิหารธรรมมีความเพียรที่จะแผดเผากิเลสเรียว่าอาตาปี มีความรู้หนื้อรู้ตัวอยู่เรียกว่าสัมป ช, สสชัญญะมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจของอารมณ์กรรมฐานวินัยยะโลกเกียภิชาโทมนัสะวักสุดท้ายถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้คำว่าโลกก็คือรูปนามไม่ใช่โลกข้างนอกนี้โลกก็คือรูปธรรมนามธรรม ถอดถอนความยินดียินร้ายได้สุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีทุกเกิดขึ้นไม่หลงยินร้ายพอถอดถอนความยินดียินรายได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงของเราพอมีอะไรที่ถูกใจนะใจก็ฟูใช่ไหมเจอของไม่ถูกใจใจก็แฝงนึกแฝงอยู่ที้ทั้งวันนะ่ะเหนื่อยนะเหมือนเรือลำน้อยอยู่กลางทะเลคลื่นซัดอย่างนี้เหนื่อย เดี๋ยวก็อวกแตกกนละางทะเลนะเครียดจัดงันถ้าเราฝึกนะาใจทั้งใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะมันไม่กระเพืมนะมันมีความสงบมันมีความสุขอยู่ในตัวเองนะถ้าบุตรบารมีมากพออริยมากก็จะเกิดถ้ายังไม่พอก็สะสมต่อไปนะอย่าดูถูกการที่เราังมีสติคอยอ่านใจของเราไปทุกวันทุกวัน สุดท้ายเราจะพ้นจากทุกได้สะสมไปอพอสมควรนะเดี๋ยวพอไปกินข้าวหลวงพ่อเทศให้รอบเดียวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หลวงพ่อก็องานหนักมากอยู่แล้วมีกิจกรรมมากมายสอนเยอะแยะนี่เสียงหลวงพ่อเขาไม่ไหวไม่ไหวครึ่งชั่วโมงยังพอไหวต่อไปอีก สองรอบสามรอบในวันเดียวเนี่ไม่ไหวหมอเขาเตือนแล้วนะว่าต้องระวังละไม่งั้นต่อไปจะไม่มีเสียงเลยเหมือนครูบาอาจารย์หลายองค์นะเสียงหายไปเลยหลวงพ่อจารันเสียงหายเป็นปีๆเลยหลวงพ่อเปลี่ยนเสียงหายไปท่านเจ้าคุณประยุทธ์ท่านก็เคยบอกนะท่านท่านเล่าว่าไปคุยกับท่านท่านบอกท่านท่านถามตอนนี้สุขภาพเป็นยังไง มีปัญหารเรื่องเสียงถ้านบอกต้องระวังนะท่านก็เคยเป็นเราใช้เสียงเยอะนะสุดท้ายเสียงหายไปเลยเส้นเสียงมันเสียไปใช้เวลานานเป็นปีๆก ว, ว่าจะมีเสียงพูดขึ้นมาได้อีกเงั้นฟังหลวงพ่อนี่นี่หน่อยๆ่อยก็ดีกว่าไม่ได้ฟังเลยเนาะใช่ไหมนี่ถือเป็นประชามติก <laughs> ์เอาไปกินข้าวไปกินข้าวก็อ่านใจไปด้วย คนนี้มันมาแย่งของที่เราเหล็งไว้แล้วโมโหดู้ว่โมโห